ขออนุญาตกล่าวธรรมให้หนายนะครับที่ผ่านๆมายังยังไม่ได้เข้าประชิดเลยนะยังไม่ได้เข้าซักประชิดเลยที่ผ่านมาพูดเฉพาะท่านใช้คําว่าคาถาเริ่มประกอบเนี่ย น, นะคือคันถารำพระกับเหตุของประกรณ์เท่านั้นเองยังไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดที่เป็น อภิธรรมมัทสังกะหะที่เรียกว่าประชดเลยนั่นนะเราสำนวนว่าพูดแต่คำเริ่มคำปรารคเฉยๆมาเข้าเอกสารใครมีเล่มนะเปิดเล่มหน้าสองนะได้ไปแล้วหนึ่งหน้า ก็มีนะเพราะว่าอาจารย์เกียรติดาจะไปขาย้ใครต้องการนะใครต้องการ่ามาให้มาลงชื่อนะครับมีใครต้องการอเขาเชื่อหมอค่ะหมอหมอรสั่งให้แล้วมอสั่งให้้เล่มอได้สขทะเล้้อง่้เล่มเม เมานลบหน้าจากป<ถ>ริบูลคุณชมก็ขออาจารย์ชมพรใส่เราเนี้ยจอจาคย์ก็ไม่เหลือแนละ้วก็เลยจะพยายามไปหามาให้ดีคุณจะได้ไม่ลบนะส่วนกระดิสองสามสี่ห้าหกก็ ออมีแต่อาจจะไม่คบ<ต>ไม่เป็นไรนที่บุญน้อยก็ต้องปนจัด ก, การเอ ง, ง <c oughs> แต่เชื่อไหมคนที่ถ่ายน่าจะอ่านมากก็แจกฟรีเพราะอย่างน้อยมันจะได้เสียดายบ้างโอ้โหหมดตั้งยี่สิบสามสิบาทนี่นะอาจเพราะว่าเท่าที่จำแล้วเขาบอก แ, แจกไม่ค่อยมีประโยชน์มากแล้ว น, นะ <c oughs> แต่ก็ดีตรงที่ว่าเวลาบรรยายเข้าดูตามน่ะนะจะได้บุญก็ตรงนั้นน่ะ ในหน้าสองกล่าวเริ่มประชิดที่หนึ่งเลยนะของเราทิ้งต่างว่าไม่เคยศึกษามาเลยนะทิ้งต่างเรียกพูดแบบคนไม่เคยเรียนมาเลยถือว่าเอาใครเป็นหลักดีไหมไม่ได้เรียนมาเลยบางคน<ม>เรียนก็ไปเรียนอื่นไม่ได้เรียนค่ะอาจารย์เอาไอ้คุณบุชูก็ผ่านแล้วไงใครดีไหมเอาอาจารย์เกสุดากัะนแล้วกันเรียนแล้วเอาเรียนแล้วนะเรียนหมดแล้ว เอาหลานอาจารย์วินิตกันแล้วกัน่ออาจารย์เอาจารย์เอาไม่เรียนยังไงมานั่งเรียนกับอาจารย์ธงชัยตั้งนานนะไม่เรียนเฉพาะอันนี้อันนี้สิคเรียนเลยอ่านะคนเก่งก็ไม่ต้องไปเรียนที่ไหนนะ ขึ้นประชิดที่หนึ่งนะตัวที่เป็นอภิธรรมมัตสังกะหะอย่างที่กล่าวว่ามีทั้งหมดเนี่ยนะทั้งบาลีด้วยและคำแปลด้วยมีอยู่16บหหน้าเท่านั้นเองเฉพาะที่เป็นประชิดหนึ่งเนี่ยนะทั้งบาลีทั้งคำแปลมีอยู่สิบหกหน้ า, าเนี่ยนะถ้าเป็นลักษณะที่เป็นสารบันเท่านั้นนะนะก็ท่านก็บอกแล้วว่าท่านจะรวบรวมที่มันเป็นสาระของอภิธรรมนะล้วนๆมาเลย บรรดาอัฏฐะแห่งพระอภิธรรมเหล่านั้นจะกล่าวจิตก่อนว่าจิตนี้มีสอย่างนะคือกามาวจรจิตหนึ่งรูปาวจรจิตหนึ่งอรูปาวจรจิตหนึ่งโลกุตระจิตหนึ่งนี่นะเรียกว่าพูดจิตโดยภูมิมันนะแยกเป็นภูมิภูมิเป็นส่วนๆไปบรรดาจิตทั้งสี่นั้นกามาวจรจิตเป็นชไหน น, นี่นะโสมนัสสหคตังทิถิขตาสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกัง นนะก็ปกติเราจะได้ยินอสังคาริเฉ่ๆแต่ถามว่าทำไมตรงนี้ใส่คำว่าเมกังเข้ามาด้วยก็คืออสังคาริกังบวกเอกัง A น, นะแปลว่าอาสังคาริ ก, กจิต 1, 1 น, นะเราก็มาทิ้งสมมติว่าเป็นหน่วยคือยะคือดวงนะหน่วยของจิตเราเรียกว่าดวง ทีนี้ถ้าเรามาดูที่เป็นพุทธพจน์บาลีของพุทธพจน์เลยนะที่พระองค์พูดถึงจิตดวงที่หนึ่งคงได้กันทุกคนนะอ่านนะ น, น่าจะอาภาษาบาลีด้วยกันนะจะได้ติดเชื้อพิธามไปเยอะๆหน่อยอเออนะ่จะได้คล่องบ้างอ่านภาษาบาลีเลยนะในในเนี้ยนะเอกสารที่แจกไปเอาเฉพาะดวงที่หนึ่งก่อนข้อสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาลีเลยนะเอาใครเป็นหัวหน้าพามา นะกตเเมธรรมาอากุสลาเปเริ่มบรรทัดแรกเลยเอาบาลีก่อนแล้วค่อยอ่านไทยทั้งหลังบาลีอยู่ข้างล่างนากะกตเตเมกตเมธรรมาอากุสลายัสมีสมเยอากุสลาอุ ป, ปันนีน ตติสมนัสขัดตังทิฏฐิคตัสามยุตตังรูปารัมนังวาสัทธารัมมังวาคันธารัมมังวารสารัมมังวาโพธารัมมังวาธัมมารัมมังวายังยังวาปะนะรัปมา ทำไมนะกะตะเมธัมมาอกุสลายาสเมงสมเยอากุสลังจิตตังอุปนังโหติโสมนาสาสหกะตังทิเทกะตะสัมปยุตตังรูปารมณังวาสัทธารมณังวาขันธารมณังวาราสารมณังวา โหัพพารัมนังวาธัมมารัมนังวายังยังวาปนานาพตาสมิงสมยเยภัสโสติเวทนาโหติสัญญาโหติเจตนาโหติจิตังโหติวิตัคโพโหติวิจารโหติปีติโหติโสขังโหติ เจตตเสกขตาโหติเวรยินไดยังโหติสมาธินไดยังโหติมณิณไดยังโหติโสมนัสสินไดยังโหติชีวตินไดยังโหติเมธขาเทิโหติเมธขาสังกัปโปโหติเมธขาวายโมโหติเมธขาสมาธิโหติ วิริยะพลังโหติสมาธิพลังโหติอหิริกะพลังโหติอานนตตปะพลังโหติโลภโหติโมหโหติอภิชาโหติเมตชอาทิิโหติอหิริกังโหติอานนตตปังโหติสมาโถโหติปักคาโหโหติ อวเวเขโปโหติเยวาปนะตสมิงสมัมยยอันเยปิอธิปฏิจจะสมุปนาอารูปิโนธรรมาอิเมธรรมากุอาภุสลาข้างบนก็เป็นคำแปลแนนะว่าอกุสธรรมะเป็นอากุสลเนี่ยนะเป็นไฉไหนเพิ่ม อ, อ่างเข้าไปตัวหนึ่งนะ ธรรมะเป็นอกุศลเนี่ยเป็นไงนอกุศลจิตสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุทธ์ด้วยทิฏฐิมีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นเป็นอารมณ์มีรสเป็นอารมณ์มีโธทภะเป็นอารมณ์มีธรรมะเป็นอารมณ์หรือประลบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดเนี่ยนะคือพูดถึงความคิดที่เป็นโลภะดวงที่หนึ่งเนี่ยนะเวลาเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์ทั้งทั้งหที่เกิดขึ้น ในขณะที่โลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยมีภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเนี่ยจิตเนี่ยเกิดขึ้นนี้เรียกว่ากลุ่มภาษาปัญจกะมีวิตกวิจารปีเตศกเอกขะตาอันนี้ก็เป็นกลุ่มฌานมีวิริยินทรีย์สมาธินินรีมนินทรียโสมณสินรีย์ชีวิ ต, ตินทรีย์เกิดขึ้นอันนะอันนี้ก็ไปเรียกเกลุ่มอินทรีย์มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิอันนี้ก็เป็นกลุ่มมัช วิริยะพละสมาธิพละอหิริกะพละอโนตตะ ป, ปะพละอันนี้ก็เป็นกลุ่มพละส่วนโลภะโมหะอันนี้ก็เป็นมูลอภิชากับมิจฉาทิฐินี้โดยกรรมบทอหิริกะอโนตตะ ป, ปะเครว่าโลกวินาตโลกพินาศแน่ถ้าอันนี้เกิดมากๆากเหมืนโลกกวินาศะเหมือนกันเลยโลกเสียหายไงโลกชิบหายแน่ถ้ามีอันนี้มากๆมีสมถะแต่ว่าไม่มีวิปัสสนา นะมีสมถะปัคาหะคือความเพียรอวิเคปะคือความไม่ฟุ้งซ่านมีในสมัยนั้นหรือนา ม, มาธรรมที่เองอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใดมีอยู่ในสมัยนั้นสภาวะธรรมนี้ชื่อว่าธรรมะเป็นอาภุสณ์เนี่ยนะแก้ด้วยนะสภาวะธรรมนี้เป็นอาภุสลนะเพิ่ม อ, อ้ออางเข้าไปอีกตัวหนึ่งง่ายๆฉบับคอมพิวเตอร์เราเพิ่มมากไม่ได้ ไหนไหนไอเจ้าบาติคุณให้ไปกูสาลลอกมาเลยเพเิพเ่มเพิ่มอ่ก็ไปด้วยนะแม้เป็นกูสนไปหมดเลยาาตอ น, น, น, นจากนเออใช่ต้องปัญจากะเนี่ยนะยอหญิงก็ไปด้วยอันนั้นพิม์ตกเองดีแล้วรู้ผิดรู้ถูกบ้างมกนกระจเจ้วละ เอ่ายอเสีงอย่างเดียวอ่าเอาเป็นว่าเราเรามาดูโครงสร้างของอักุศลจิตดวงที่หนึ่งที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยนะพระองค์ก็จะแสดงว่าอักุศลจิตนั่นนะที่ ก็ให้แก้ง่ายอากุศลและจิตดวงที่หนึ่งนะเพิ่มอากเข้าไปด้วยนะช่วยช่วยสงเคราะห์ทีหนึ่งเถิด <c oughs> อ่นะ <c oughs> เพราะว่านึกว่าคอมพิวเตอร์มันมาตรฐานกันเลยลอกอุสารลอกมาแล้วก็มาจัดจัดจัด อากุศลจิตเนี่ยนะโครงสร้างเขาก็คือโสมณะสะสหคตังเนี่ยน ะ, นะทิฏฐิคตะสัมปะยุตังส่วนในในบาลีเนี่ยจะไม่มีคำว่าอาสังคาริกที่เป็นพุทธพจน์นะไม่มีคำว่าอาสังคาริกถามว่าทำไมเพราะว่าไอจิตดวงหลังมันเป็นสะสังขาริกดวงแรกก็รู้กันว่าเป็นอาสังขาริกเนี่ยนะนะ เรียกว่าโดยสังขารนะเนี่ยนะทีนี้ถ้าอย่างอาสังขาริกเนี่ยนะต้องต้องต้องตามไวยากรณ์ของเขาต้องเป็นอสังขาริกังทีนี้ถ้าอาสังขาริกังถ้าบวกเอกังที่แปลว่าหนึ่งนะเขาก็จะเอาไอไอไอนิกฤตตัวนี้มาเป็นมอมา้าก็เลยเป็นอสังขาริกะเมกังเนี่ยนะ ถ้าถ้าเปลี่ยนเป็นไทยไทยเราก็จะเป็นแบบนี้หนึ่งอ น, นี้อย่างนี้เขาเรียกว่าพูดโดยชื่อของจิตเนะนี่ชื่อของจิตนะเอาตัวนี้มาตั้งชื่อจิตอันนี้อย่างอันนี้ถ้าว่าดจัดโดยกลุ่มนะอย่างที่สองพระองค์จะแสดงโดยอารมณ์เห็นไนม ว่าธรรมดาของจิตที่เกิดขึ้นต้องอาศัยอารมณ์ก็เคยขึ้นอารมณ์มา6เนี่ยนะมีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโพธิภพมีธรรมะเป็นอารมณ์หรือประลบอย่างอื่นก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าอารมณ์ <c oughs> เพราะธรรมดาจิตนี้เวลาเกิดขึ้นนะปัจจัยที่ขาดไม่ได้อย่า ง, างสาคัญมากที่สุดคืออารมณปัจจัย ธรรมดาจิตนี้เกิดขึ้นต้องมีอารมณ์ต้องมีการรับรู้ทีนี้ต่อไปก็ชุดที่สามก็คือกลุ่มภาษะปัญจกะเนี่ยนะธรรมห้ามีภาษะก็คือมีภาษะเวทนาสัญญาอ น, น, นแล้วก็จิต ภาษาเวทนาสัญญาเจตนาแล้วก็จิตในพุทธพจน์นั้นเวลาแสดงธรรมะโดยเฉพาะจิตตุ บ, บาทเนี่ยนะจะพูดทั้งจิตเจตสิกพร้อมกันหมดเลยเียนะจะไม่ไม่แสดงจิตเฉยๆแล้วแยกไปแสดงเจตสิกต่างหากไม่คือแสดงตัวจิตเสร็จก็พูดถึงสิ่งที่สัมปยุตที่เกิดร่วมกับจิตไปเลยทันที เขาก็มามีการจัดกลุ่มว่ากลุ่มภาษาปัญจกะอย่างที่4ี่ก็เป็นกลุ่มฌานเนี่ยอันนี้เฉพาะในอกุสโรจิตนะทีนี้ฌานในทีนี้หมายถึงฌานไหนหมายถึงฌานนัปัจจัยเพราะว่าการวางรูปแบบของพุทธพจน์ตรงนี้จะไม่ให้ขัดกับฌานนปัจจัยที่จะกล่าวข้างหน้าในคำพีมหาปฐามนู้นแหละท่านจะวางธรรมะไว้สัมพันธ์กันหมดเลยก็ประกอบไปด้วยวิตก วิจารปีติสุขแล้วก็อะไรจิตเตสักจิตเตเนี่ยนะบวกเอกคตาเนี่ยนะบวกจิตตสะเอกคตาก็เลยเรียกว่าจิตตเสกคตาแปล ว, ว่าถ้าถ้าแยกสับมาจะเป็นไหนอันนะั้นก็เลยลบเอาอ่างตงัวนี้สอเสื อ, อามาใส่ตรงนี้แทน ก็เลยเป็นจิตตัดเสกักขตาก็คือความเป็นเอกักขตาของจิตเนี่ยนะความเป็นเอกักขตาของจิตที่เรารู้กันว่าอะไรนะเอกักขตาเจตสิกนั่นเองแล้วก็ยังมีธรรมะกลมอื่นที่เกิดเช่นก็แสดงโดยกลมอินทรีย์ กลมพระและแลยังมีกลมอย่างอื่นอีกคือกลมมรอ่ะนะที่เป็นมิดฉามมรกพอกลมมรกจบก็กลม น, นะพร ะ, ะพร ะ, ะเสร็จก็มูลกรรมบดแล้วก็อะไร โลกาวินาทก็จริงนะถ้าปล่อยให้โลภะเกิดมากๆนี่โลกพ่นาดแน่